เราฝึกไปนะฝึกไปฝึกใจของเราให้ดีคนไหนใจฝึกไม่ดีนะมีความสุขสอนบอกจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้มีความสุขแต่ฝึกให้ดีก็แล้วกันฝึกจิตให้ดีขัดเกลาวไปเรื่อยศัตรูที่ทำให้จิตมันมีความทุกข์ขึ้นมาก็ ค, คือกิเลส กิเลสมันมีตั้งแต่หยาบ ๆ, นะ ย, ๆยาบนะกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดน่หน้าที่ของเราค่อยฝึกไปกิเลสอย่างหยาบนะเราสู้ด้วยศีลกิเลสอย่างหยาบนะเรามันจะผลักดันจิตให้ทำชั่วทางกายทางวาจาอันนี้หยาบที่สุดลดๆๆๆะกิเลสอย่างกลาๆๆงมันทำให้ใจเราคิดผิดกิเลสหยาบเนี่ยทำให้กายวาจาทำผิดกิเลสอย่างกลางเนี่ยทำให้ใจเราทำผิดใจเราฟุ้งซ่าน กิเลสอย่างกลางชื่อว่านิวรณ์สู้ด้วยสมาธิถ้าจิตมีสมาธิจิตก็ไม่มีนิวรณ์วิธีให้มีสมาธิก็ไม่ยากมีสติรู้ทันจิตไปนะถ้านิวรณ์เกิดขึ้นที่จิตเรามีสติรู้ทันนิวรณ์ก็ดับไปชั่วคราวนะเดี๋ยวเกิดใหม่กิเลสอย่างละเอียดนะคือทิฏฐิความเห็นผิดสู้ด้วยปัญญา ท่านแยกกิเลสไว้แปลกนะตัวกิเลสที่ละเอียดที่สุดเลยกลายเป็นตัวความเห็นผิดสู้ด้วยปัญญาคือความเห็นถูกเห็นผิดว่าอะไรเห็นผิดว่ามีตัวเราอยู่จริงๆในโลกนี้มีตัวมีตนมีสัตว์มีคนมีเรามีเขาเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้นำความสุขมาให้เป็นของดีของพิเศษกายนี้ใจนี้อันนี้เป็นความเห็นผิด สู้ด้วยการเจริญปัญญางินการภาวนากนะ็ต้องมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญามีอันใดอันหนึ่งนะไม่ได้หรอกอย่างปัญญาคนละ้ายๆมีดผ่าตัดนะคล้ายๆมีด่าตัดนะศีลมันเหมือนกวนนะเอาไว้ตับไม้เอาไว้ตัดไม้หยาบๆย บ, ยบ เราจะเจริญปัญญารวดเดียวไปไม่มีศีล น, นะเหมือนจะเอามีดผ่าตัดไปตัดต้นไม้ตัดไม่เข้าหรอกไปไม่รอดให้เราค่อยๆ อ, อบรมศีลสมาธิปัญญาขาดอันใดนหนึ่งก็ไม่ได้นะขาดอันใดนหนึ่งนะกุศลเราไม่ถึงพร้อมท่านสอนนะละบาปทั้งปวงล ะ, ละบาปอากุศลทั้งปวงเนี่ก็คือความทำผิด ทางกายทางวาจาทางใจทางใจก็ใจที่ฟุ้งซ่านนี่แหละทำกุศลให้ถึงพร้อมมีศีลมีสมาธิมีปัญญาถ้ากุศลถึงพร้อมแล้วจิตมันผ่องแผ้วจิตที่มันผ่องแผ้วมันมีความสุขนะหลวงพ่อเสียดายแทนคนจนํานวนมากไม่ต้องเสียดายคนต่างชาติที่เขาไม่ได้เรียนศาสนาพุทธหรอกเสียดายแทนคนไทยนี่แหละ เกิดมาในแผ่นดินที่าศาสนายัางดำรงอยู่ไม่สนใจศึกษาเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจไม่ชำระจิตใจตัวเองให้ผ่องแผ้วเลยวันวะันหนึ่งมีแต่เรื่องวุ่นวายมองอะไรไม่พ้นตัวเองคิดว่าตัวเรามีจริงๆนะนก็แย่งชิงกันชิงดีชิงเด่นกันบ้านเมืองเสียหายแค่ไหนก็ไม่รู้แล้วไม่สนใจแล้วนะี่เพราะกิเลสทั้งนั้นเลย ถ้าใจเรานะมันกว้างซะหน่อยนะชําระใจของเราไปเรื่อยมองคนอื่นด้วยความเมตตานะไม่ได้มองด้วยความเกลียดชังพัฒนาใจของเรานะอย่างเริ่มต้นมีศีลอย่าดูถูกศีล น, นะหลวงพ่อเมื่อสองอาทิตย์ก่อนไปกราบครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่อีกหนึ่งผู้ใหญ่มากเลยท่านก็บอกว่าให้สอนเรื่องศีลให้มากๆคนเดี๋ยวนี้ไม่มีศีลละ ดูที่ใส่ร้ายกันที่โจมตีกันนี่มันเรื่องผิดศีลทั้งนั้นเลยในทุกวงการท่าบอกคนเดี๋ยวนี้ดูถูกศีลคิดว่าเรื่องตื้นๆนะถือศีลเป็นนะไปมักผลนิพพานได้อย่างข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ใช่ไหมถ้าเราฝึกจนเป็นนิสยัยแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเราจะได้ธรรมะมาบางอย่างเราไม่เบียดเบียนไปนา น, านนะใจเรา เต็มไปด้วยความเมตตากรุณาขึ้นมาได้มีศีลแล้วมันก็มีธรรมศีลข้อหนึ่งะรักษาดีๆต่อไปจิตเกิดความเมตตากรุณาเกิดธรรมะที่ดีนะเมตตานี่เป็นบารมีตัวหนึ่งในบารมี10บตัวที่พวกเราต้องสะสมถ้าขาดเมตตาอย่ามาคุยเรื่องมรรคผลนิพพานไปไม่รอดนะใจที่กระด้างหยาบช้าเบียดเบียนคิดร้ายเห็นัห ถ้ไม่มีเมตตามันก็ไม่มีมีหิงสาวิตตกมันมีวิหิงสาวิตกมันคิดเบียดเบียนมีพยาบาทวิตตกองค์มรรคไม่สมบูรณ์หรอกเงั้นเราต้องรักษานะอย่างศีลข้อหนึ่งรักษาไปเรื่อยวิธีจะรักษาให้ดีนะรักษาใจของเรากิเลสเกิดขึ้นรู้ทันกิเลสเกิดขึ้นรู้ทันนะกิเลสโทสะร้ายแรงเกิดขึ้นรู้ไวรู้มากๆนะสติปัญญามันค่อยทันขึ้นมามเห็นมนะันโกรธเขาก็ทุกข์นะ ไปเบียดรับเบียนเขาก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรขึ้นมาเขาก็ทุกอยู่แล้วเราไปเพิ่มทุกข์ให้เขาอีกอย่าเงี้ยดูไปดูมานะไม่ใช่เราทุกคนเดียวนะคนอื่นเขาก็ทุกนะพอเราเห็นว่าจริงๆแล้วทุกคนมันทุกข์ไปหมดเลยนะใจมันเกิดสงสารนะเกิดความเมตตาเกิดความกรุณาขึ้นมาถ้าเรากระโดดลงไปเบียดเบียนเขาซะก่อนเนี่ยเราไม่มีสติปัญญาที่พัฒนาขึ้นมาจนเห็นเราว่าเขาก็ทุกเหมือนกันคนที่เราเกลียดเขาก็ทุกนะ บางทีทุกมากกว่าเราอีกนะหรืออย่างศีลข้อ2นะบอกไม่ให้รักทรัพย์ถ้าเราไม่รักทรัพย์เราก็ต้องทํามาหากินใช่ไหมประกอบอาชีพสุจริตซิ่งที่เราจะได้มาคืออะไรเราจะได้สัมมาอาชีวะมานะสัมมาอาชีวะอยู่ในองค์มรคนะสัมมาอาชีวะอยู่ในองค์มรเห็นไหมมีศีล น, นะเราก็พัฒนาสิ่งที่อยู่ในองค์มรขึ้นมาได้ด้วยนะ ไม่เบียดเบียนมีความเมตตากรุณาขึ้นมาก็ไม่มีพยาบาทวิตกไม่มีวิหิษสาวิตกก็อยู่ในองค์มั่งอีกงั้นจะดูถูกเนาะสินข้อ3นะไม่เประพติผิดในกามเราจะได้อะไรขึ้นมาเราจะได้กามสังวรมากามสังวรหมายถึงสำรวมในตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละไม่แสบสายคุ้งพลานไป เที่ยวแสวงหาแต่ความสุขความเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสมันจะทำลายอะไรทำลายการมวิตกได้ทำลายการที่ใจไปตึกแต่เรื่องกรรมไม่อยู่ในวงมรรคเหมือนกันนะสีลข้อสล่เราไม่พูดเท็จนานไปนานไปเราได้สัจจะมีสัจจะมีบารมีนะสัจจะอยู่ในบารมีสิบข้อ ที่เราต้องพัฒนาให้เต็มต้องมีสัจจะนะเราไม่โกหกเราไม่หลอกลวงมีสัจจะนะอยู่ในองค์มรรคไหมข้อสอยู่ในสัมมาวาจานะงั้นเราอย่าดูถูกนะเราพัฒนาศีลอของเราให้ดีเถอะรักษาไว้ให้ดีนะธรรมะก็จะเกิดขึ้นรักษาศีลแล้ได้ธรร ม, มนะเกื้อกูลกระทั่งเกิดอริยมรรค นี่พอเรารักษาศีลสมควรล้นะต่อไปเรารักษาใจรักษาศีลเนี่ยมันจะรักษากายรักษาวาจาให้เรียบร้อยแล้วเรารักษาใจใจเราชอบฟุง้งซ่านใจเราตุปัดตุเปยหนีไม่เที่ยวตลอดเวลานะเดี๋ยวหลงไปทางโน้นเดี๋ยวหลงไปทางนี้หลงไปเนะพราะกามบ้างหลงไปเพราะพยาบาทบ้างหลงไปเพราะฟุ้งซ่านในอารมณ์บ้างจับอารมณ์ไม่ติดนะจับอารมณ์โน้นจับอารมณ์นี้ฟุ้งไปเร่ หลงไปเพราะลังเลสงสัยบ้างพะสงสัยล้วก็คิดใหญ่เลยคนกว้าใหญ่จิตทุดิ้นใหญ่จิตไม่สงบหลงไปเพราะจิตซึมเศร้านซะึมเศร้าหมดเรี่ยวหมดแรงท้อแท้ป้อแปนะ้ไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้จิตไม่มีคุณภาพนะนั้นถ้าจิตเกิดนิวร5้าอย่างนี้นะเกิดกรรมฉันทะเกิดพยาบาทเกิดอุทัด จ, จะกุกกุจจะ จริงมันสอ ง, งอันอุทัศจะความฟุ้งซ่านกูกูกจะรำคาญใจหุนหะิตเกิดวิจิจรฉาทีนมิท t h นะใจซึมจริงๆทีนะก็ตัวหนึ่งนะมิทะอีกันคนละอันแต่รวมกันทำงานด้วยกันซึมจิตไม่มีพลังจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่มีเรี่ยวมีแรงนะวิธีฝึก ให้จิตพ้นจากนิวรณ์นทำได้สองอย่างอย่างที่หนึ่งนะหาอารมณ์ที่ดีที่มีความสุขแล้วต้องเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลนะมาล่อจิตจิตมันฟุ้งไปที่อื่นจิตมันวุ่นวายไปในเรื่องพยาบาทวุ่นวายไปในเรื่องกรรมวุ่นวายไปในเรื่องคิดหาคำตอบอะไรมากมายรือจิตเฉื่อยชาท้อแท้ป้อแป้ไปหาอารมณ์ที่มีความสุขมาล่อมันแต่ต้องเป็นกุศลนะ อารมณ์ที่มีความสุขที่เป็นอกุศลนั้นไม่ดียกตัวอย่างไปตกปลามีความสุขนะอย่างนี้เบียดเบียนสัตว์ไม่ดนะีนั้นเราหาอารมณ์ที่มีความสุขมาล่อจิตคนไหนพุโทโธแล้วมีความสุขอยู่กับพุโทโธคนไหนหายใจแล้วมีความสุขอยู่กับลมหายใจคนไหนดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขก็รู้ท้องพองยุบ คนไหนเดินจงกรมแล้วมีความสุขก็เดินจงกรมคนไหนขยับมือทำจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนแล้วมีความสุขก็ขยับมือไปคนไหนรู้อิริยาบทสี่แล้วมีความสุขก็รู้ไปนั้นะนะจิตใจในพอใจในอารมณ์อะไรนะ้เอาอารมณ์นั้นมาล่อจิตจิตพอได้อารมณ์ที่ชอบใจจิตจะไม่ฟุ้งไปสู่อารมณ์อื่นเหมือนเด็กได้ขนมอร่อยแล้วก็เด็กก็ไม่ไปวิ่งสนนะ เด็กก็กินขนมที่อร่อยจิตก็เหมือนกันจิตกินอารมณ์ที่อริดอร่อยมีความสุขนะงั้นเราเลือกดูอารมณ์อะไรที่เราไปะระลึกรู้แล้วจิตใจเรามีความสุขเราเอาอันนั้นแหละนะแต่ต้องเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศล น, น ะ, ละระลึกรู้เรื่องที่เป็นอกุศล น, นั้นไม่ดีมีโทษทีหลังนะ งั้นเราเลือกเอาไปดูตัวเองอยู่กับพุโทโธแล้วสุข ก, ก็เอาพุโทโธหลวงพอ่ออย่างหลวงพ่อนะอยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขหลวงพ่ออยู่กับลมหายใจทุกคนหายใจแล้วก็ใจก็สงบใจก็ตั้งมั่นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้สึกตัวหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวไม่สงบแบบลืมเนื้อลืมตัวสงบของเราต้องประกอบด้วยสติเสมอถ้าขาดสติเมาาื่อไรจิตเป็นอกุศลสงบได้ไหมอกุศลสงบได้นะ พระเทวทั์แกก็สงบนะแกเหอได้จิตแกเป็นอกุศลนะงั้นสมาธิเกิดแกจิตที่เป็นอกุศลก็ได้ถ้าเราสงบนะเรก็รู้เนื้อรู้ตัวมีสติไว้ถ้าจิตมีสติอยู่จิตจะเป็นกุศลถ้าจิตขาดสติจิตจะเป็นอกุศลนะงั้นเราพยายามรู้สึกตัวนะหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนด้วยความรู้สึกตัวเห็นท้องพองยุบด้วยความรู้สึกตัวเคลื่อนไหว นะขยับไม้ขยับมืออะไรเนี่ยด้วยความรู้สึกตัวไม่ทิ้งความรู้สึกตัวจิตใจมันจะตั้งมั่นนะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่จิตที่ตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นั่นแหละเรียกว่าจิตมีสมาธนะิจิตเป็นสมาธิชั้นดีที่จะเดินตัญญาต่อไปได้แต่ถ้าจิตตั้งมั่นแบบไปเคลิ้มอยู่กับอารมณ์นะขาดสติเคลิ้มๆลืมเนื้อลืมตัวอยู่นะมีโมหะแทรกมีราคะแทรกนะเพลินมีความสุขเพลินๆไปจิตเป็นอกุศลนะ จิตที่เคลิ้เคริ้มลืมเนื้อลืมตัวถึงยังมีสมาธิอยู่ก็จริงแต่ไม่สามารถเดินปัญญาต่อได้ที่เราทําสมาธิก็เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะเดินปัญญาต่อเท่านั้นเองนะไม่ใช่ทําเพื่อเสพสุขเพื่อจะหลงเพลินอยู่กับโลกของสมาธิถ้าหลงเพลินเราจะไปเกิดในพรมโลกเสียเวลามากนะเราค่อยรู้สึกตัวทําสมาธิก็ให้มีความรู้สึกตัวไปนะพุทโธก็พุทโธด้วยความรู้สึกตัวหายใจก็หายใจด้วยความรู้สึกตัว เดินจงกรมก็เดินด้วยความรู้สึกตัวอย่ให้เคลิมลืมเนื้อลืมตัวไปฝึกอย่างนี้นะอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้จิตตั้งมั่นคือรู้ทันนิวรน์วิธีอันแรกที่จิตจะตั้งมั่นมีสมาธิวิธีแรกที่เล่าไปแล้วคือหาอารมณ์ที่มีความสุขอารมณ์ที่เป็นกุศลมาล่อนะแล้วก็รู้อารมณ์นั้นไปด้วยความรู้สึกตัวจิตจะสงบจิตจะตั้งมั่นขึ้นมา วิธีที่สองนะเห็นไหมจิตวิ่งไปดูพัดลมนะจิตเป็นยังไงตัวนี้จิตฟุง้งซ่านจิตมีนิวรณ์นะจิตฟุง้งซ่านเห็นไหมมีนิวรณ์ฟุ้งซ่านไปแล้วเกิดอะไรขึ้นลืมเนะื้อลืมตัวอีกแล้วนะั้นะถ้าเรามีสติรู้ทันโอ้จิตหลงไปละจิตหลงไปละรู้แค่เนี้นะจิตตั้งมั่นขึ้นมานะสมาธิเกิดเหมือนกันจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้สึกตัวได้เดินปัญญาต่อได้ละ ศีลนั้นทำให้ใจเราสงบนะตั้งมั่นสมาธิอันนี้นทำให้เราพร้อมที่จะเดินปัญญาศีลนั้นทำให้สมาธิเกิดง่ายสมาธินั้นเป็นฐานเป็นเบื้องต้นที่จะเดินปัญญาต่อไปงั้นเราไม่ทำสมาธิเพื่อจะทาสมาธินั้นตื้นเกินไปนะอย่างเราหัดดูจิตดูใจของเราเนี่ยไม่ใช่ดูจิตดูใจเพื่อสงบนะสงบนั้นเป็นแค่ทางผ่านเป็นเครื่องมือนหนึ่งเท่านั้นเอง เรารู้ทานกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นในใจไปเรื่อ ย, อยจิตใจมีความสุขมีความสงบขึ้นมาไม่หยุดอยู่แค่นั้นต้องเดินปัญญาต่อในขั้นเดินปัญญานะั้นบอกไว้แล้วนะเมื่อกี้นี้ว่าปัญญาทําไปเพื่อล้างทิฐิล้างความเห็นผิดปัญญานั่นแหละคือตัวสัมมาทิฏฐิอยู่ในองค์มรรคเหมือนกันนะเห็นไหมมรรคตัวนี้เกิดยากที่สุดเลยเป็นสัมมาทิฏฐิใช้ปัญญาเพื่อเกิดศีลไม่ทําให้เกิดสัมมาทิฐิสมาธิไม่ทําให้เกิดสัมมาทิฐิ สามารถที่จะเกิดจากการที่เรามีสติรู้รูปธรรมนามารมตามความเป็นจริงรู้ในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นตัวเรานี่แหละเราเห็นกายเป็นเราเห็นจิตเป็นเราเรารู้ลงในกายรู้ลงในจิตรู้บ่อยๆรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางแม้จิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางเราได้มาจากสมาธิแล้วรู้ไปสบายๆรู้ไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูงั้นพอใจเราตื่นขึ้นมาแล้วนะเราก็มาคอยรู้กายมาคอยรู้ใจ สติเขาจะระลึกเองเวลาที่เรารู้สึกตัวขึ้นมาได้แล้วเนี่ยบางทีสติระลึกรู้กายบางทีสติระลึกรู้ใจถึงจุดนี้ไม่มีแล้วว่าสายไหนสายไหนนะสติรู้รูปบ้างรู้นามบ้างรู้อัตโนมัติสตินี้อัตโนมัตินะไม่ว่าสติระลึกอะไรถ้ารู้ได้จิตที่ตั้งมั่นปัญญาจะเกิดคือจะเห็นความจริงเลยว่าทุกสิ่งที่สติไประลึกรู้เข้านั้นไม่มีตัวเราเลยนะ อย่างร่างกายเนี่ยเส้นไหวอยู่เรากําลังใจลอยนะกำลังเห็นเพื่อนเดินอยู่โน้นจะโบกมือยกมือขึ้นมาขยับปุ๊บเกิดสติะระลึกขึ้นมานะเกิดใจตั้งมั่นรู้ตัวขึ้นมาว่าเมื่อกี้เผลอจะไปทักเพื่อนมือกําลังเริ่มขยับนะ่ยเราจะรู้สึกทันทีอัตโนมัติเลยว่ามือที่ขยับอยู่นี้ไม่ใช่เราแล้วนะไม่ใช่วัตถุเป็นแค่วัตถุไม่ใช่ตัวเราเนี่ยจะแค่รู้สึกอย่างนี้เลยเนะมื่อไรใจตั้งมั่นนะ รัตติะระลึกรู้รูปธรรมจะเห็นรูปธรรมไม่ใช่ตัวเราเมื่อไหร่จิตใจเราตั้งมั่นอยู่นะสติะระลึกรู้นำ ม, มาทำทั้งหลายเช่นความสุขความทุกข์กุศลและอกุศลทั้งหลายก็จะเห็นว่านา ม, มาทำทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราเห็นอย่างเดียวกันนั่นเองไม่มีตัวเราในรูปธรรมและนา ม, มาทำทั้งหลายภาวนาแทบตายก็เพื่อตรงนี้แหละนะเพื่อให้จิตมันได้เห็นความจริงเรื่อยไปนะรูปธรรมก็เป็นแค่วัตถุก้อนธาตุนะ เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกต ล, ลอดเวลาหมุนเวียนไปเรื่อยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาะจะเห็นด้วยปัญญาจิตใจนามธรรมา ท, ทั้งหลายกระทั่งตัวจิตเองเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปทุกอย่างอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไป นี่เวลาเราเดินปัญญาเราจะเห็นไตรลักษณ์เห็นอย่างนี้แต่เห็นทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปทุกอย่างไม่คงที่นะทนอยู่นานๆไม่ได้เรียกว่าเป็นทุกข์เกิดแล้วดับไปเรียกว่านิจจังทนอยู่ในภาวะใดหนึ่งไม่ได้เรียกว่าทุกข์ขังมันเป็นไปตามเหตุนะมันจะมีก็เพราะมีเหตุมันหมดเหตุมันก็ดับไปไม่ใช่เพราะเราสั่งได้นี่คืออนัตตาเนี่ปัญญาจะไปเห็นทั้งรูปธรรมทั้งนมามธรรมซึ่งเคยประกอบมาแล้วเราริคิดว่าเป็นตัวเราเนี่ สติปัญญามันเข้าไปเห็นนะปัญญามันแจ้งขึ้นมามีแต่รูปธรรมนามธรรมไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะซ้ําแล้วซ้ําอีกดูแล้วดูอีกจนวันนึงจิตยอมรับความจริงดูจนจิตยอมรับความจริงดูแรกๆจิตไม่ยอมรับหลายคนเลยนะพอขยับตัวขึ้นมาแล้วเห็นว่าตัวเราไม่มีนะตกใจเลยนะบางคนกลัวเลยนะตั้งสัจจะอริาตินี้ไม่ภาวนาอีกแล้ว พอนานแล้วตัวเราหายไปนะเสียทายเหลือเกินตัวเราหายไปบางคนกลัวบางคนรู้สึกว่าเวิเบื้งว้างนะตายแล้วต่อไปนี้จะหาความสุขได้ไงตัวเราไม่มนะีบางคนเบื่อเลยนะตัวเราไม่มีทุกอย่างมันก็น่าเบื่อหมดแล้วโลกนี้จะวิเศษวิโสแค่ไหนล่ะก็ตัวเราไม่มีเห็นทุกอย่างน่าเบื่อไปหมดเลยนะอย่างนี้ก็มีนะนี่เป็นความรู้สึกทั่วๆไปของคนที่จเจริญปัญญา เป็นทุกคนแหละไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งบางคนเป็นหลายอย่างเรียกว่ามีนิพพิทาบ้างนิพพิ昙เบื่อนะมีอาทีนวาานิญาณเห็นความไร้าสาระของมันมีพยาตูปัฏฐานญาณเห็นความเป็นภยัยความน่ากลัวความพึ่งพาอาศัยไม่ได้นี่เป็นปัญญาทั้งสิน้นเกิดจากการที่เรามีสติรู้ลงมาในรูปธรรมนามาทำรู้ไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางนี่แหละในที่สุดปัญญามันเกิดนะเกิดเป็นลําดับลําดับไป ถึงจุดหนึ่งะปัญญามันเห็นจริงแล้วว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วดับสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับพอปัญญามันเห็นอย่างนี้นะมันจะเห็นในความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคร tucked, าวอกุศลก็ชั่วคราวอะไรอะไรก็ชั่วคราวจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาเนี่ยเราพาวนาจนจิตเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาจิตหมดความดิ้นรนค้นคว้านะรู้อยู่เฉพาะหน้าเลยเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไหลมาแล้วไหลไปรู้อยู่อย่างเนี้ง เราภาวนาสุดขีดได้เท่านี้แหละถัดจากนี้จิตเขาเป็นไปเองนะมีพระสูตรอยู่อันหนึ่งนะหลวงพ่อจำชื่อไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนพระเนี่ยบอกว่าชาวนาเขาทํานาชาวนามีหน้าที่ทํานาเขาก็ไปไถนาไถนานะก็นะไถเสร็จแล้วก็หวานข้าวนะแล้วก็คอยดูน้ํามากไปไหมน้ํามากไปเอาออกน้ําน้อยไปไหมน้าน้อยไปเอาเข้านะ คอดูไปถ้าสมัยนี้เพรี้ยลงก็ต้องเอาอยามาฉีดอีกสมัยโบราณสมัยพุทธเจ้าไม่มีขั้นตอนนี้มักินก็คงกินหมดแหละชาวนาเนี้ยมีหน้าที่ทํานาอย่างนี้แหละส่วนต้นข้าวมีหน้าที่ออกรวงชาวนาไม่สามารถสั่งให้ต้นข้าวออกรวงได้ให้ชาวนาทําเหตุไปเรื่อยต้นข้าวงอกขึ้นมานะเติบโตขึ้นมาวันหนึ่งต้นข้าวออกรวง เรานี้ก็เหมือนกันเราทำเหตุเราทำศีลเราทำสมาธิเราทำปัญญาวันหนึ่งมรรคผลจะเกิดขึ้นเองไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลได้กระทั่งพระพุทธเจ้าก็ทำไม่ได้จิตเขาบรรลุมรรคผลนี่ผ่านของเขาเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาของเราแก่รอบนั้นอย่าโลภนะภาวนาอย่าคิดนะว่าเราจะทำมรรคผลให้เกิดขึ้นไม่มีใครทามรรคผลให้เกิดได้ จิตมันรู้มักผลเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาแก่รอบเหมือนต้นข้าวออกรวงเองนะเมื่อชาวนานะั้นะดูแลต้นข้าวได้ดนะีนั้นเราในมีหน้าที่นะชาวนาน้อยน้อยทั้งหลายชาวนาในใจของเรานะไม่ใช่ชาวนาบนหลังคนนะเนะี่ยรักษาต้นข้าวของเราไว้ให้ดนะีรักษาจิตของเรานะค่อยๆ อ, อบรมไป นะรักษาจิตไม่ให้ไปทําชั่วทางกายทางวาจานะมีสติรู้ทันไปกิเลสหยาบเกิดขึ้นรู้ทันไปนะนี่เราได้ศีลนะนิวรณ์เกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันนะใจก็สงบใจก็ระ ง, งับใจก็ตั้งมั่นถัดจากนั้นอย่าหยุดอยู่เฉยนักปฏิบัติมาตาย ต, ายตรงนี้เกือบทั้งหมดเลยนะสมัยไหนสมัยไห น, ไหนก็เหมือนกันทั้งหมดเลยสมัยที่หลวงพ่อไปเรียนจากหลวงปู่ดูลนะมีวันหนึ่งนั่งอยู่กับท่านนะท่านก็เปรยเปรยให้ฟัง พอโอ้ผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่ผีใหญ่หมายถึงไปเป็นพรมพอ ภ, ภาวนาแล้วก็จิตก็สงบตั้งมั่นแล้วก็พอใจอยู่แค่นั้นนี่ใช้ไม่ได้ภาวนาแล้วเป็นผีใหญ่สงบสบายเฉยๆอยู่เนีย่ยจันมหาบัวนะเคยไปฟังท่านเหมือนกันสมัยท่านมาสวนแสงธรรมเรายังไม่บวชท่านยังแข็งแรงทั้งวันหนึ่งท่านก็ บ, น บ, นบน่นๆนะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยพูดเรื่องปัญญานะ มีแต่เรื่องสมาธิแยกกว่านั้นอีกพูดแต่เรื่องนิมิตนั่งแล้วเห็นโน่นเห็นนี่อะไรเนี้ยห่างไกลามากผลนิพพานโกลาเรื่องเลยนล้วเราต้องเลิเจริญปัญญาให้ได้นะมิธีเจริญปัญญานะต้องแยกกายแยกใจแยกรูปแยกนามเรื่อยไปหลวงพ่อเล่าประสบการณ์การปฏิบัติของตัวเองให้ฟังนะไม่ใช่เพื่อโอ้อวดนะเราไม่มีอะไรจะโอ้อวดหรอกโอ้อวดมันต้องหวังอะไรสักอย่างนี้หวังอย่างหนึ่งเหมือนกันนะหวังให้เรารู้เรื่อง ไปหาหลวงปูดุลก่อนจะไปหาหลวงปูดุลนะหลวงพ่อทําสมถะทําลมหายใจนะรู้ลมหายใจจิตสงบอยู่กลมหายใจแต่รู้สึกตัวอยู่แรกๆหายใจแล้วก็ไม่รู้สึกตัวเหมือนกันเคลื้มเหมือนกันเคลิ้มแล้วจิตออกข้างนอกนะไปเห็นสวรรค์เห็นเทวดาเห็นนางฟ้าอะไรเนี่ยจิตมันหลอนไปเห็นนะไม่ใช่ของดีของพิเศษเลยเหรอกจิตมันฟุ้งออกไปจริงหรือโกโหกก็ไม่รู้นะไม่ใช่อภิน ญ, ญานะจิตฟุ้งซ่านออกไปเห็นนิมิตเท่านั้นเอง ฟุ้งๆออกไปเห็นโน่นเห็นนี่ไปวันหนึ่งฉเฉลียวใจขึ้นมาเราไปเห็นเทวดาแล้วเราได้อะไรเขาไม่เชิญให้เราอยู่ด้วยซะหน่อยนะอืมเขากินข้าวเราก็กินของเขาไม่ได้นะอยู่กับเขาไปทําอะไระไปดูๆเหรอเหมือนไปดูเศรษฐีไปเที่ยวบ้านเศรษฐีแล้วได้อะไรขึ้นมานี่คิดอย่างนี้นะแต่ก็ยังอยากไปดูอยู่ว่าบ้านเศรษฐีเป็นไงนะดูไปดูมาวัานหนึ่งเกิดฉเฉลียวใจลึกกว่านั้นอีก ถ้าเราไปดูเทวดาได้แล้วเกิดไปเห็นผีจะทำยังไงหลวงพ่อเป็นคนกลัวผีมากนะขึ้นชื่อลือชาเลยตอนเด็กๆเกนี่ยขนาดลูกแมวในบ้านตายนะไม่กล้านอนหลับนะพยายามจะตื่นทั้งคืนเลยตื่นกลัวผีแมวมาเข้าฝันนึสซีกลัวละเอียดละออขนาดนี้นะกลัวผีนี่เราก็กลัวแล้วเรานั่งสมาธิไปเกิดจิตออกไปเห็นเทวดาเราไม่กลัว เ, เกิดไปเห็นผีเราจะทําไงด้วยความกลัวผีนั่นเองนะตั้งแต่นั้นมานะหายใจเนี่ยรู้สึกตัว หายใจไปรู้สึกไปหายใจไปรู้สึกไปพอสติอ่อนนะก็ <c oughs> หายใจแรงขึ้น <c oughs> แล้วรู้สึกตัวไปใจสงบสบายอยู่นะ <c oughs> เล่นอยู่อย่างเนี้ยเดินปัญญาไม่เป็นได้แต่สมาธินะปัญญาไม่มี22่ปีก็อยู่แค่นั้นแหละถามว่าทําไปทําไมใจมันอยากปฏิบัติคิดว่าทําไปเรื่อยแล้ววันหนึ่งคงได้มรรคผลนิพพานนี่ภาวนานอย่างนี้มานะ่าจะมา6กลุ่มพาสองห้า ไปกลับหลวงปู่ดูลหนแรกเลยท่านสอนบอกให้ดูจิตตัวเองพอได้ยินมาให้ดูจิตนะกลับมามาดูจิตนั่งรถไฟจากสุรินมานะไม่รอให้ถึงบ้านนะท่านบอกให้ดูจิตนะกลาบท่านเสร็จก็เริ่มหันดูลนะจิตต้องอยู่ในร่างกายนี้ เราจะคิดว่าจิตต้องอยู่ในร่างกายนีนะ่นั้นต่อไปนี้เราจะไม่รู้เกินกายนะเวลาที่เราภานาะเราจะรู้อยู่ในกายนี่เองไม่ให้เกินกายออกไปเนี่ยใจตั้งมาอย่างนีนะ้นี่คือการกําหนดขอบเขตของการศึกษาละขอบเขตสโคปของการศึกษาที่จะเจริญปัญญาของเรานะอย่าให้เกินกายออกไปนะรู้อยู่ในกายรู้อยู่ในใจแค่นี้พอยังหาจิตไม่ได้ดูกายไปก่อนนะนี่ดูมาเรื่อยนะนั่งรถไฟมามาถึงกรุงเทพ พอมาถึงกรุงเทพนะตอนนั้นไม่รู้จะทํำยังไงแล้วหาจิตไม่เจอแนละ้วก็สวดมนต์พุทโธสุดสุทโธกรุณามหั่นโนสวดมนต์นะเราเห็นใจมันคิดบทสวดมนต์นะความสวดมนต์นะอยู่ส่วนหนึ่งนะบทสวดมนต์ใจที่เป็นผู้รู้บทสวดมนต์อยู่ส่วนหนึ่งพอดูถึงตัวนี้ปุ๊บจิตกับอารมณ์แยกออกจากกันทันทีเลยแยกจิตกับอารมณ์ออกมาแยกจิตกับกายออกมานะเห็นกายสวดมนต์อยู่นะจิตเป็นคนดูอยู่ เห็นบทส่วนมนไหลขึ้นมาจิตเป็นคนดูอยู่แล้วก็พบว่าอา้าวมันแยกออกเป็นส่วนๆได้จิตมันแยกออกจากร่างกายได้จิตมันแยกออกจากความคิดได้จิตมันแยกออกจากสิ่งอื่นได้นี่หลวงปู่ให้ดูจิตคงจะให้ดูไอ้ตัวนี้ละมังในะคิดอย่างนี้นะดีใจมากเลยจะต้องให้มันแยกทุกวันนะวันไหนมันเข้าไปรวมกันเนี่ยไม่ยอมต้องหาทางทําลายไปรวมแล้วไปรวมอยู่กลางหน้าอกเนี่ยเป็นก้อนเลย นะเพง่งมันะเพ่งเพ่งระเบิดเปรี้ยงโอ้ใจหลุดออกมาโล่งวันนี้ภาวนาดี <c oughs> อีกวันนึงเข้าไปเกาะ อ, อีกแล้วเพ่งใหญ่เพ่งยังไงก็ไม่ระเบิดโอ้วันนี้ภาวนาไม่ดีอีกวันนึงเอาใหม่ <c oughs> เพ่งไม่ระเบิดเลยเฉือนมันเป็นชิน้นชิ้นเฉือนเฉือนเฉือ น, น, นไอ้ก้อนนี้นะเฉือนเหมือนเรามีมีดแล้วตัดมันไปเรืยมันบางบางบา ง, บางหายไปแป๊บโอ้วันนี้ภาวนาดีนะดีก็ไม่ดีบนอยู่แค่เนี้ยโง่โงเนี่ยดูสิพาอนาอยู่อย่างเนี้สามเดือนนะ ไปส่งการบ้านหลวงปู่นะจิตของเราเด่นขึ้นมาอย่างงี้แล้วเห็นไหมแยากกายแยากอะไรออกไปหมดท่านเด่นอย่างนี้ฝึกจะส่งกันบ้านนึกว่าท่านจะชมท่านไม่ชมท่านบอกมวัวแต่ยุ่งกับอาการของจิตยังไม่ได้ดูจิตเลยเรามานึกได้เราไม่ได้ดูจริงนะเรามวัวแต่รักษาจิต นะีรักษาจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหาทางรักษาตลอดเลยอะไรมาผลักทิ้งอะไรมาตัดทิ้งไว้รักษาอยู่ตรงนี้หลวงปู่บอกท่านนี้ยังไม่ได้ดูจิตเลยนะไปยุ่งกับอาการของมันแลไปรักษาไปปกครองไว้กลับมาดูลูกเดียวเลยต่อไปนี้ท่านสั่งมาบอกจงทํายานเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปยานคือปัญญานะท่านไม่ได้ให้รู้ด้วยสตินะท่านให้รู้ด้วยปัญญาปัญญาจะย่างลงไปเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของมัน นี่เราเฝ้ารู้ลงไปเรื่อยนะจนวันหนึ่งเราเห็นจริงจิตก็ตกอยู่ใต้ไตรลักเหมือนกันนะถึงวันหนึ่งนะมันจะปล่อยวางจิตขั้นสุดท้ายของการปฏิบัตินะที่หลวงปู่ดูลสอนคือปล่อยวางจิตได้นะไม่ใช่ประคองรักษาจิตตลอดชีวิตนะบางคนไปสอนผิดผิดนะว่าให้ดูจิตให้ไปประคองจิตให้นิ่งให้ว่างอยู่ภายในสว่างว่างอันนั้นหลวงปู่ไม่ได้สอนหรอกนั่นะมันบทเรียนบทที่1เท่านั้นเองมันบทต่อมาก็คือดูจิต ดูให้เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของมันมันเกิดแล้วมันดับนั่นตรงนี้ตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนนะตรงกับที่ครูบาอาจารย์วัดป่าท่านสอนท่านสอนให้เดินปัญญา น, นั่นเองจิตเองก็เกิดดับจิตเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเฝนะ้ารู้เฝ้าดูไปจิตมีราคะเราก็รู้ทันใช่ไหมในถ้าใจปิดดกก็ว่างงั้นจิตมีราคะก็รู้จิตไม่มีราคะก็รู้จิตมีโทสะก็รู้จิตไม่มีโทสะก็รู้ จิตมีโมหะก็รู้คือหลงไปก็รู้นะจิตไม่มีโมหะคือรู้ตัวขึ้นมาก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหูก็รู้จิตเป็นยังไงก็รู้ไปนะมันเป็นสุขก็รู้มันเป็นทุกข์ก็รู้มันเฉยๆก็รู้เฝ้ารู้อย่างนี้นะถึงจะเรียกว่าดูจิตดูด้วยจิตที่ตั้งมั่นดูด้วยจิตที่เป็นกลางอย่าให้จิตถลำเข้าไปอย่ารักษาตัวผู้รู้ไว้ตัวผู้รู้ตัวจิตนั้นไม่ใช่นิพพานนะ หลายคนเข้าใจว่าถ้าเรารักษาจิตไว้จิตนั่นแหละตัวผู้รู้นั่นแหละคือนิพพานจิตกับ น, นิพพานเป็นคนละตัวกันหลวงปู่ล่าปู่เจ้าก็สอนดีมากเลยว่าตัวผู้รู้ไม่ใช่นิพพานนะฝักผู้รู้ไปคือพ้นผู้รู้ไปจนไม่มีที่กําหนดหมายถ้าหมายอยู่ก็พอเหมือนเหือนพอเหมือนเหมือนนิพพานเท่านั้นไม่ใช่นิพพานจริงนะงั้นต้องปล่อยจิตอีกทีหนึ่งนะไม่ใช่รักษาจิตไปนิรันดร์อยู่ภายในว่างๆโล่งๆ งั้นเราค่อยฝึกนะตามรู้ความเปลี่ยนแปลง น, นะนี่ภาคเจริญปัญญานะคูบาจารย์ท่านก็สอนอย่างนี้แหละอาจารย์มหาบัวก็สอนนะเจริญปัญญานี้ไม่พ้นหรอกที่จะแยกรูปแยกนามนะแยกธาตุแยกขันธ์แยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์เนีกายส่วนกายจิตส่วนจิตเนี่ยเวทนาส่วนเวทนาจิตส่วนจิตสังขารที่เป็นกุศลอกุศลก็ส่วนของสังขารจิตก็อยู่ส่วนจิตอีก ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองขันแต่และขันทําหน้าที่ของตัวเองไม่ก้าวไก่กันความเห็นผิดนะั้นเราเราไปรวบเอาขันทั้งหมดมาเป็นตัวเราไปรวบขันห้าเข้ามาเป็นก้อนเดียวกันแล้ว ร, รู้สึกว่านี่คือตัวเราเราจะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้กระจายสิ่งที่เรื่องว่าเป็นตัวเราออกเป็นส่วนๆเป็นขันเป็นธาตุนะแยกมันออกไปแยกด้วยสติปัญญาหนะ้าใจตั้งมั่นนะขันแยกออกไปกระจายไปกายอยู่ส่วนกายจิตอยู่ส่วนจิต เวทนาส่วนเวทนาจิตส่วนจิตสังขารส่วนสังขารจิตส่ว น, ว น, วนจิต น, ตนี่แยกอย่างนี้ไปได้ในส่วนมันจะเห็นในทุกอย่างเกิดแล้วดับรูปเกิดแล้วก็ดับเวทนาเกิดแล้วดับสังขารเกิดแล้วดับจีเดงก็เกิดแล้วก็ดับนี่เฝ้ารู้อย่างนี้นะนี่คือการเจริญปัญญาถ้าปัญญาแก่กล้าพอวิมุติจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ น, ะนี่ศีล ส, สมาธิปัญญาหน้าวันิเทศตั้งแต่กอไก่ถึงหอนุูกเลย แต่ไม่มีหลังหอรนหููกความจริงมีภาคหลังหอรนหููกอีกแต่ไม่จำเป็นต้องเทศให้ภาวนาหาเอ า, อานะเองนะเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ